ทำในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรานะคะให้เกิดผลอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นก็มไม่ต้องเกรงใจสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ของทุกท่านนะคะฉันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้ามีผู้มาใช้ก็สแสดงว่าที่นี่ได้ผลแล้วนะคะในระดับหนึ่งค่ะขอให้ทุกท่านได้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 อันที่สองคือพอได้แล้วก็ปากว่าไปแต่ใจไปทั้งอื่นไม่อยู่ที่ตัวทั้งสือนะอันนี้ก็เลยไม่เป็นทั้งสองอย่างสมาธิก็ไม่ได้อาลกสัญญาก็ไม่ได้เพราะงั <c oughs> ให้มันได้อย่างหนึ่งด ด, งด้อย่างหนึ่งถ้าเรายังจำสวดยังไม่ได้ไม่สามารถขยายเป็นภาพในอิมเมจของเราได้ก็ให้จิตจดจาในบทบทสวดนั่นนะจนกระทั่งต่อไปพอจิตของเรามีสมาธิ มันเกิดการจดจาตรงนั้นเอามาได้ทั้งเล่มนี้โดยที่ไม่ต้องท่องเลยนะเพราะสวดไปทุกวันวนเราใช้หลักสองอย่างนะใช้หลักของสมาธิกับใช้อโลกสัญญาเนี่ยมันจะจำได้เองนะ <c oughs> แล้วก็ชัดแล้วก็เมื่อได้อลกสัญญาเราจะเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นเช่นเราสวดว่าเยสังปริยาญาทรมโนโซภะกวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ได้กำหนดรู้และสอนพิสูนทั้งหลายว่ารูปังอ น, นิจจงเนี่ยทั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปรูปูปาทานันกคันโทแต่ภาพใหม่เวลาไปสวดไปล้อกันนะโอ้ส่วนมูลนี่ดีมีทั้งรูปูรูปาเลยเนะว่าเอาไปล้อกันเฉยเพรฉะนั้นในจุดเนี่ยถ้าหากว่าเรา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 ใช่ไหมที่เราสวดเมื่อกี้ปัญญาคําว่าปัญญาที่เรารู้จากในความหมายที่เรารู้กับปัญญาในในที่นี้คนละเรื่องนีปัญญาที่นี่แปลว่าปรากฏชัดใช่ไหมที่เราสวดมีแต่ปัญญาที่เราใช้ความหมายข้างนอกแปลว่าอะไรใช่ไหมแเราความคิดรู้ทั่วรู้ลึกรู้ซึง้งรู้กว้างรู้ละเอียดรู้ถี่ท่วนอะไรนั่นกว่าไปตามความหมายอันนั้นเป็นเป็นความหมายแบบ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 ไปคุณะทางสมาธิที่เป็นสมถะก็เป็นไปเพื่อความสงบลึกซึ้งเข้าฌานเข้าลูา่ประชานลู่ประชานไปเป็นพลังจิตเป็นอิทธิปฏิหารเป็นนิมิตอะไรต่างๆไปอีทางหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อวิปัสนาทำให้เราเห็นรายละเอียดของกายของใจได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆได้เห็นได้ครอบภุ่ม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 มีพระของอาตมานั่งเอ๊ะผมหลับตาผมก็ตื่นรู้อยู่นะแต่ในช่วงไหนมันหายวิบเนี่ยง่วงโดยไม่รู้ตัวเลยนวลไปเลยว่า ง, งั้นเน่ยสะพงกเลยถามรู้เอผมก็ไม่ได้สปปะพงก์แต่คนอยู่ข้างนอกเขาเห็นสปปะพงก์เพราะมันได้เหยียดอ่อนมากเล ย, ยไววิบเลยอันนั้นก็ฝึกลืมตาไว้ก่อนนะก e ็ในส่วนเนี้ส่วนลืมตาหลับตาเนี่ ย, ยมีตำนานเรื่องของท่านโพธิธรรม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 านปรมาคือตัดความมั่วและเด็ดขาดก็เหมือนไม่มีหนังตาเลยตื่นโดยสมบูรณ์อันนี้คือความหมายดังนั้นใครจะนั่งสมามานานแค่ไหนต้องฝึกลืมตาให้มากที่สุดก็แล้วกันถ้ามันไม่ไหวจริงๆิงก็ก็หลับได้แต่ว่าอย่าหลับนานโดยเฉพาะค้อที่แล้วไปมีคุณครูคนหนึ่งบอกว่ามันมันลืมตาไม่ขึ้นเลยนั่งสวดมนต์ก็จะหลับตลอดก็เลยว่า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 เพราะสัมพัสส์ในโลกนี่คนที่มีทุรีในดวงตาบางอาจจะฟังท่านเข้าใจก็ได้แล้วก็ยกดอกบัวสี่เหล่าแต่ความจริงตามตาราบอกมีสามเหล่านะเหล่าที่สี่ไม่มีเหล่าที่สี่เพิ่งมาบัญญัติทีหลังเหล่าที่สี่ญญสชื่ออะไรนะเหล่าที่หนึ่งหมายความว่าพอฟังทาที่หน่อยคําแนะนำที่หน่อยก็เข้าใจเลย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 หลายวันต่อไปหรือหลายเดือนต่อไปอาจจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําบุคคลนี้หมายความว่าแนะนําได้ท่านใช้ว่ากลุ่มแรกเรียกว่า ว, วิปวิปจิตวิปจิตันยูอุคติตันยูวิปจิตตันยูเราที่สามเรียกว่าไนยะใช่ไหมแต่เราที่สี่เนี่ยชื่อเราอะไรนะปัทภป ร, ะประม <laughs> ประม <laughs> เรามาแปลว่าไงปัจจุบั น, น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 โง่ที่สุดคือคนที่รู้อะไรมากเกินไปจะไม่ยอมรับอะไรได้ง่ายๆนะก็จะกลายเป็นคนไม่ไม่เข้าใจนี่เขาเรียกว่าปัทัาปรามะท่านบอกบคุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารของเต่าและปลาหมายคาเป็นอาหารของกิเลสเป็นอาหารของวิชาไปนะนั้นในอนิจจัสเส็จเห็นพงวัฒนปลกนะุกบอกว่าความจริงในายพระธรรมดมีแค่สามเหล่านะคือคนที่รู้เร็วคนที่รับการอธิบายแล้วเข้าใจ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 ไม่สามารถที่ไปบอกเรื่องนี้ได้ชุด่อมาท่านนึกถึงใครนึกถึงเพื่อนใช่มชเพื่อนที่ตอนแรกก็ตอนที่ท่านบาเพ็ญตามอ า, อาจารย์อื่นๆในเรื่องของสมถานเนี่ยทจริงจังเคร่งครัดนะเรียกว่าบาเพ็ญทุกกะกิริยาทุกรูปแบบหมายความว่าอะไรที่ที่เขาทำสมัยนั้นท่านทำได้หมดแต่ว่ามันรู้ทำไม่ได้แต่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 กายมีลมหายใจใช่ไหมอันที่สองที่เราสัมผัสได้ขณะนี้นมีอะไร <c oughs> ความรู้สึกตึงหย่อนปวดสบายไม่สบายใช่ไหมหรืออันที่สองมีเทวทนาอเรานั่งอยู่ในยบปวดนันง่งนั่งนานปวดปวเมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินเดินนานก็ปวดก็เมื่ยแล้วก็ยืนเฉยยืนนานก็ปวดก็เมื่ยก็นอนลงไปนอนนานก็ปวดก็เมื่อย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 อกิริสมันเกิดจากอะไรก็เริ่มไปดูเอ๊ะถ้าเวลาเราปวดขาเราเปลี่ยนเพราะอะไรพกายสั่งหรือใจสั่งสังเกตดูเวลาเ้าหนักเลยเราเดี๋จะเปลี่ยนขาใช่ไหมใครเป็นผู้สั่งใจใช่ไหมอ๋อใจเข้ามาเกี่ยวข้องตอนที่เรารู้สึกว่าไม่สบายตัวรู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยเป็นตัวกายหรือตัวตัวจิต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 เป็นที่รวมเป็นคอนจังชันเป็นคอนเน็กชันอยู่ตรงเนี้ยระหว่างกายกับใจท่านใช้คำว่าเวทนาสัโมสารณาเวทนาเป็นที่รวมรวมของธรรมทั้งหลายมีสติประมุขามีสติเป็นประมุกสติอสตอสตาปัตยะสะตาทิปัตยะมีสติเป็นใหญ่เป็นเจ้านะ แต่ว่ามีตัวเวทนา้เป็นสัมโมุสน า, สสมมส า, า, าเวทนาสัมมสาาาุสนาคือเป็นที่รวมรวมของธรรมทั้งหลายรวมรวมของกายรวมรวมของจิตยอยู่ในเวทนาเมื่ อ, อพระวิคีประเด็นที่หลงพ่อพูดถึงเรื่องไอเดบัวใช่ไหมมันมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยมันเสือประเดมมัมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยหนีประเด็นมากไกล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 เป็นคำที่ใหญ่กเกินไปทีนี้อุปการชีวะฟังฟังแล้วเป็นไงนะไม่เชื่อหรอกเพราะว่าแรบนดีนึกว่าสวนทางไปเลยฮะไม่เชื่อหรอก็ำไมง่ายขนาดนั้นหันสแสวงหามาตลอดชีวิตยังไม่เจอเลยท่านเดินคือในคำว่าสยามพูดหรือผู้บรรลุธรรมเขาจะต้องเป็นผู้วิเศษใช่ไหม <c oughs> เป็นผู้วิเศษเหาะเดินอากาศมีอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรกลางนั่นเดินทางวัดต๊อกต๊เหมือนกันน่บอกว่าเป็นพุทธได้อย่างไรนะอะไรนั้นก็ไม่เอา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 ท่านอาจจะเชื่อไปทางบ้านภาษาดิบในสมัยนั้นเป็นเครือข่าท่านชื่อว่าอุปติสะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโกริตะต่อมาได้บทเป็นที่ว่าโมขราณนะเนี่ยทีนี้พอท่านอุปติสะซึ่งสแสวงหาผู้ผู้รู้เหมือนกันนะเหมือนกับท่านอุปกาชีว์แต่ว่าเห็นนักบวชเมื่อก่อนนักบวชทั้งหลายเนี่ยยะแยะไปหมดนนในอิเดียเนี่ย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 ว่าเป็นอย่างนี้ยงนี้แล้วเอาไปทำในช่วงที่ไปทำเราทำถูกหรือทำผิดทำเป็นหรือไม่เป็นก็ในช่วงจนเย็นเราก็จะมาเคลียร์อีกทีนึงนะช่วงเช้าตั้งแต่แปดโมงถึงส0บเอดโมงส่วนจะทำวิธีการแบบไหนอย่างไรในรายละเอียดเราก็พูดกันต่อไปนะจากสิบเอ็ดโมงจนไปถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะเราได้รับทานอาหารและพักผ่อนกัน